ในที่ปฏิคุมคะวันที่ 12 กันยายน 2505 นวัตสาบ้านตำบลอุดรธานีการปฏิบัติเพื่อกัปสงหาคืนเลนดูผลคิดคือหลักสลักฆาตธรรม ที่เป็นธรรมอันพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเข้ามาเทียบเคียงกับความเคลื่อนไหวแห่งกายมากระจายท้องตกอย่าให้เคลื่อนคลาดไปจากหลักหลักฆาตธรรมให้สังเกตทั้งทางกายทั้งทางวาจา ตั้งทําใจถ้าเคลื่อนไหวจากหรือผิดกับหลักของโสคัสสวัคขาตธรรมแล้วเพิ่งทราบว่าเป็นไปเพื่อทางผิดอย่างน้อยก็เนิ่นช้าอย่างมากก็เป็นมุ่นคลึงแก่ตนเองเราทุกๆท่าน ซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวเมืองเดียวกันในตึกคู่นเดียวกันต่างก็ละเห่เรร่อนมาด้วยความเจตนาหวังดีของตนแต่ละท่านน่ะท่านถ้าพูดตามทางโลกก็แล้วเรียกว่าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นญาติเป็น บาททางบ้านเกิดเมืองนอนเมืองจางหวัดอำเภเร、ณพาคแพรมอื่อพูดตามรักเขิราที่เราทั้ง siege ได้สงอยู่นาบัดเมือกว่าเราทั้งหลายเป็นยาติก чи ดาแยกจาก 가는 ม่น่ายคร เร?, ยาติ ศfight ทางคล Hin. ออ 때문에 จะ myst คันขว่า lights ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันญาติทางความทุกข์ความลําบากความขัดข้องยิ่งใหญ่ต่างก็ได้ผ่านมาในทางสายเดียวกันญาติในทางนักบวชซึ่งเป็นพวกคนผมโกนเทียวเพื่อสละสิ่งที่เป็นทาสิกแก่ตนเอง เป็นเจตนาอันเดียวกันไม่ได้ผิดแผกกันแม้แต่น้อยและปฏิปทาก็เป็นเช่นเดียวกันด้วยมีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองและเป็นเครื่องดําเนินเช่นเดียวกันจึงเรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทแม้แต่ลูกพ่อเดียวแม่เดียวก็ยังมีการทะเลาะบอกแย้ง ด้วยคู่สามีภรรยาถึงกิริยาก็เป็นที่รักสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังมีการขัดข้องไม่ลงคอกันได้ในบางการในบางกรณีแต่สําหรับเราทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันดูณบัดนี้นับตั้งแต่ที่ร่วมมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้รู้สึกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาสนับสนุน น้ำหนักผมผู้เป็นหัวหน้าปกครองบรรดาท่านทั้งหลายเรื่องที่พวกเราทั้งหลายได้รับความล่มเย็นไม่มีการระแคะระคายในกันทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งด้านความเห็นอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความกระทบกระเทือน นับตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงส่วนใหญ่ไม่เคยปรากฏอันเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ดีจากบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ร่วมกันความที่เราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขเช่นนี้เนื่องจากต่างท่านต่างองค์ก่อนมีหลักธรรมคือเหตุผลเป็นเครื่องสอบ สวนหรือเป็นเครื่องทบทวนอยู่ในตัวของเราเองและหมู่เพื่อนด้วยกันจึงเป็นเหตุให้อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขถ้าหากว่าหลักธรรมของพวกเราได้ด้อยไปบ้างในการทบทวนดูเรื่องความเคลื่อนไหวของตนและหมู่เพื่อนไม่ลงรอยกันได้ นั่นแลเป็นเหตุที่จะให้เกิดความระแคะระคายถ้าเป็นอย่างหม้อน้ําก็แสดงว่ากําลังร้าวจากร้าวไปก็เรียกว่าแตกกระจายหม้อน้ําเพียงแต่ว่าร้าวเท่านั้นคุณภาพก็ไม่สมบูรณ์เราจะหุงต้มแกงหรือถังน้ําก็ไม่สมบูรณ์ ยิ่งม้อนน้ำได้แตกไปเสียก็ยิ่งขาดประโยชน์เต็มส่วนของม้อนน้ำที่จะถึงได้รับผมมีเรื่องความที่มีไม่ลงรอยกันในเรื่องทิฏฐิความเห็นหรือปฏิปทาที่ปรากฏได้จากหลักธรรมคือเหตุผลก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่นี้ถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกับว่าเวลานี้หม้อน้ํากําลังสมบูรณ์ไม่มีแล้วหรือบิ่นแม้แต่น้อยคือพวกเราทั้งหลายได้อยู่ร่วมร่วมกันด้วยความเป็นสุขมีเนื่องจากว่าต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องประจําใจของตนเอง ไม่เห็นจากความเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นจากความเป็นผู้น้อยเห็นแก่นหลักธรรมคือเจตนาที่จะมุ่งดำเนินตามศอกาตธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มสติกำลังและความสามารถของตนแต่ละท่านละท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเป็นการถูกหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อการดำเนินของพวกเราตั้งแต่ขั้นยากเป็นการถูกกับธรรมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้แล้วส่วนละเอียดก็คุณทราบว่า จะต้องเป็นไปจากส่วนหยับส่วนละเอียดหมายถึงเรื่องของเราโดยเฉพาะที่จะพยายามปรับตรงหรือพยายามตอบสวนควรดูหลักเหตุผลอันเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวในกายวาจาใจของตนเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขึ้นจากใจที่จะทําความสงบให้เป็นไปได้ณทางภายในที่คือเรา ลำดับนี้กล่าวถึงเรื่องความสงบซึ่งเป็นไปในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันเรียกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาการปกครองก็รู้สึกว่ามีความเบาอกเบาใจไม่ได้เป็นอารมณ์สําหรับผู้เป็นหัวหน้าที่เกี่ยวกับบรรดาลูกจิตจะเป็นนายใดก็ตามแสดงความไม่เป็นที่ไว้วางใจในกิริยามารยาทอย่างนี้ไม่เคยปรากฏ นี่แสดงถึงเรื่องความสงบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันนี่แล้วก็พอที่จะเห็นผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการระมัดระวังในระหว่างเรากับหมู่เพื่อนหรือในระหว่างตนกับหมู่เพื่อนต่างคนก็ต่างระมัดระวังถือหลักธรรมเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าถือเรื่องของเราแต่ละ การอะไรพยายามปรับปรุงตนเองแต่ละท่านแต่ท่านให้เข้ากับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วผลที่ปรากฏขึ้นให้เราทั้งหลายได้ทราบหรือให้ได้อยู่หรือได้เห็นประจักษ์ก็คือความล่มเย็นเป็นสุขด้วยกันนี่คือความสงบส่วนหนึ่งที่เปรียบกับหมู่เพื่อนแล้วเพิ่ง คืออารักเหตุผลอันเป็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนี้เข้าไปปรับปรุงเรื่องภายในของตนเองคือเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะจิตใจที่มีความกระทบกระเทือนระหว่างสิ่งที่มาสัมผัสเกิดความไม่สงบขึ้นภายในใจเพิ่งทราบว่าจะต้องมีเรื่องอันใดอันหนึ่งที่เรา สอบสวนทบทวนดูยังไม่รอบคอบในระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการรับรู้ของเราในสิ่งกระทบนั้นพร้อมด้วยสติปัญญายังไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์พองจึงเป็นเหตุให้จิตของเราทรงความสงบของตนไว้ไม่ได้หรือผู้ที่ได้แล้วในขั้นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปก็ยังมีซึ่งเรายังไม่สามารถ ที่จะระงับดับได้กลายเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับกายของเราอยู่ตลอดเวลาให้พึงสอบสวนทบทวนดูเช่นเดียวกันกับระหว่างเรากับหมู่เพื่อนเพื่อปรับปรุงข้อวัดปฏิบัติให้ตรงกล่อมเข้ากันได้กลายเป็นความสงบสุขขึ้นในระหว่างของพวกเราเรื่องของจิตก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้ อากว่าใจของเราได้มีหลักเหตุผลสอบทวนตนในลักษณะอาการของใจที่เคลื่อนไหวต่ออารมณ์ใดๆเช่นเดียวกับเราทบทวนดูเรื่องภายนอกที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนขึ้นภายในจิตใจของเราคือใจจะเริ่มมีความสงบเป็นลําดับไปความสงบก็มีหลายชั้น เมื่อเราผ่านความสงบชั้นหยาบนี้เข้าไปได้ความสงบขั้นกลางยังมีเรื่องตามขนาดของขั้นแห่งความสงบเมื่อเราได้นำสติปัญญาเข้าสอบสวนทบทวนดูสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นข้าศึกต่อความสงบส่วนส่วนกลางของเราได้จนพอตัวแล้วความสงบส่วนกลางนั้นก็จะกลายเป็นความสงบที่สมบูรณ์ขึ้นมา โดยลําทางตนเองแล้วต่อจากนั้นก็จะพยายามสู้ลบกันกับข้าศึกที่ไปรังควานหรือไปก่อเรื่องกันกับความพุ่งปกที่ละเอียดโดยทางสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันเมื่อสติกับปัญญาของเราได้ตรวจสวนทบทวนดูข้าศึกคืออารมณ์ ภายนอกกับภายในมาสัมผัสวัดกันแล้วเกิดผลอย่างไรขึ้นมาเราก็สอบทวนด้วยเหตุผลโดยมีสติกับปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเมื่อสติปัญญาหรือเหตุผลได้พอตรวงลงแล้วเรื่องความสงบอันละเอียดก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลาง นี่หลักแห่งความสงบมีหลายชั้นเรื่องของปัญญาพึงทราบว่าเดินตามรอยกันไปกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเหมือนกันกับเงาตามตัวนี่หลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้อย่าพึงเข้าใจว่าปัญญาจะไปอยู่ข้างหน้าปัญญาจะมาอยู่ข้างหลังของความสงบไม่เช่นนั้น ถูกตามหลักธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเรื่องของปัญญากับเรื่องของสติจะต้องสวมรอยกันไปหรือเป็นคู่เคียงกันไปกับความสงบไม่ว่าความสงบชั้นใดๆปัญญาก็มีตามฐานะแห่งความสงบเริ่มจะทําความสงบอย่างหยาบให้ปรากฏขึ้นมาปัญญาอย่างหยาบต้องเป็นที่เลี้ยงเสมอไปขั้นกลางปัญญาขั้นกลางก็ต้องเป็นที่เลี้ยง ขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดก็ต้องเป็นที่เลี้ยงกันตามกันไปอย่างนี้นี่เป็นหลักธรรมชาติที่ได้ปฏิบัติมาตามกําลังขอให้บรรณาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งถือเป็นอันเดียวกันผมได้เปิดเผยให้ท่านทั้งหลายฟังโดยเฉพาะให้พึงทราบไว้เสียว่าเรื่องของสติกับปัญญานี้ตามขั้นของสมาธิหรือตามขั้นแห่งความสงบจักปราทจากกันไปไม่ได้เป็นธรรมที่จําเป็นที่สุดที่เราจะพึง ก็อยู่ตลอดเวลาตามฐานะแห่งปัญญาและสติของเราเท่าที่จะพยายามสุขผลจิตใจของตนให้เป็นไปในความสงบขั้นไหนแล้วแต่อํานาจของสติแล้วแต่อํานาจของปัญญาเมื่อปัญญาของเรามีความละเอียดสามารถขึ้นเป็นลําดับแล้วเรื่องที่ว่าปัญญาอันละเอียดนั้นไม่ต้องว่าเพราะเป็นสิ่งที่ฝึกซ้อมไปตามๆกันกับการฝึกหัดใจของเราให้เป็นความสงบตั้งแต่เบื้องต้น <c oughs> มีการที่เราจะพิจารณาหรือสอบสวนตรวจทวนเอาหลักเหตุผลเข้าไปจับที่หวงไว้ใจของเราที่จะเป็นความเคลื่อนไหวสนับกับอารมณ์ที่มาสัมผัสให้มีสติให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสวนตรวจทวนกันอยู่เช่นนี้ความสุขความสงบหรือความสบายความแยกภาคคลายความเฉลียวฉลาดจะค่อยปรากฏขึ้นกับใจดวงนี้ เมื่อใจของเราได้มีความสงบแล้วสัญญาของเราก็จะเริ่มพิจารณาคร่องแคล่วเป็นลําดับไปเมื่อจิตมีความสงบการสงบของจิตไม่ใช่เป็นนิสัยอันเดียวลักษณะแห่งความสงบของจิตนั้นมีหลายลักษณะนําตามเป็นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติแต่ละราย ไม่เหมือนกันแต่ผลนายได้คือความสงบนั้นเป็นเช่นเดียวกันลักษณะของจิตบางประเภทเมื่อกําหนดบริกรรมในคําใดคําหนึ่งบรรดาที่เป็นบทธรรมซึ่งตนชอบในจริตของตนเพียงบริกรรมเข้าเท่านั้นจิตก็ลงได้ทันทีและลงได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นนิสัยของนักปฏิบัติบางหลายต้องเป็นอย่างนี้ และบางรายนั้นค่อยมีความสงบเข้ามาความสงบเข้ามาความรู้สึกภายนอกค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกภายในคือความทําบริกรรมกับความรู้ได้แจกใจของตนเองแล้วก็สงบเข้าไปจนกระทั่งถึงหยุดหรือปล่อยวางคําบริกรรมส่งไว้สู่ความรู้อันเดียวมีความ เฝ้ารับอยู่อันหนึ่งอันนี้ชื่อว่าสติรู้อยู่เฉพาะจิตนิ่งก็รู้ว่าจิตนิ่งหยุดก็รู้ว่าหยุดจิตจะกระเหม่อมออกนิดก็ต้องรู้ทันทีนี่คือเรื่องของสติมีประจำอยู่กับองค์แห่งสมาธิหรือองค์แห่งความสงบนั้นอันนี้คนคนเดียวนั่นเองผู้ปฏิบัติรายเดียวนั่นเองลักษณะของจิตไม่ใช่จะลงอย่างนั้นเสมอไป <c oughs> เป็นอย่างไรที่เคยลงได้อย่างเร็วๆบางกาลบางสมัยกลับลงอย่างเชื่องช้าก็มีนี่ก็เห็นนั่นอาการแห่งการลงของใจนั้นเราอย่าถือเป็นข้อคล่องใจสิ่งที่เราจะถือสําคัญที่สุดก็คือว่าผลที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นของสําคัญผลที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นคือความสุขนี่และอาการ ที่จิตจะแสดงความกระเท่อมอย่างใดไม่มีมีความรู้เพียงอันเดียวและมีสติรู้อยู่ว่าจิตของตนดุจหนึ่งผลได้เป็นอันเดียวกันอย่างนี้จะลงเร็วหรือช้าก็ตามจะลงรัตนะอาคารใดๆก็ตามให้เราเพ่งถือเอาผลคือความหยุดของจ่ายนั้นคือความที่ว่าหยุดเป็นหนึ่ง เมื่อถอนขึ้นมาแล้วให้เป็นนักวิภาควิจารณ์ในกายวิภาคของตนกายทุกส่วนเป็นสภาพแห่งไตรลักษณ์ทุกๆอาการเป็นไตรลักษณ์ในหลักธรรมชาติใครจะรู้ก็ตามใครไม่รู้ก็ตามสภาพนี้ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์อยู่นั่นเองความมาไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงนี่เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตาแต่เราอย่าเพิ่งซาบว่าความเป็นทุกข์ก็ดีความเป็นอนิจจังก็ดีความเป็นอนัตตาก็ดีนอกไปจากอาการ 11 อย่าเพิ่งซาบว่าเป็นอย่างนั้นอาการเดียวนั้นเองพร้อมด้วยไตรลักษณ์อยู่แล้วอย่างสมมุติเช่นอย่างอาการแห่งกายของเรานี้มีถึง 32 อาการทุกๆอาการนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไตรลักษณ์ โดยหลักธรรมชาติอยู่ในตัวธรรมะอนิจจังทุกขังกับอนัตตาจะแยกจากกันไม่ได้เพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้พิจารณาจะพิจารณาชัดเรื่องของครุกก็ตามเรื่องของนิรังก็จะต้องแสดงขึ้นกับทุกข์เรื่องอนัตตาก็จะปฏิเสธความเป็นเราเป็นเขาอยู่ในตัวนั้นเสร็จหนึ่งแต่ถ้าแยกอาการออกว่าเป็นอนิจจังบ้างเป็นทุกขังบ้าง เป็นอนัตตาบ้างเหมือนกันกับอาการแห่งกายของเหล่านี้แม้จะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนในธาตุของบุคคลผู้เดียวนี้ก็ตามแต่เมื่อแยกออกไปแล้วธาตุนี้มีอยู่ 4 คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแม้แต่ธาตุดินก็ยังแยกอาการเป็นเป็นหลายธาตุทั้ง 32 อาการนี่ให้คิดดูแต่อาการใดก็ตามเพิ่งทราบมากคือดินนั่นเอง <c oughs> น้ำจะแยกไปกี่ประเภทก็คือน้ำนั่นเองลมจะแยกไปกี่ประเภทก็คือลมนั่นเองไฟจะแยกไปกี่ประเภทก็คือไฟนั่นเองนี่อาการแห่งอนิจจังทุกขังอัตตาก็คือไตรลักษณ์นั่นเองไตรภาพทั้งอย่างนี้ให้สอบสวนทบทวนวิภาควิจารณ์ดูเรื่องไตรลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสรรพางค์ร่างกายของเราเราจะแยกคานี้ทางทุกข์ ชอบพิจารณาในทางทุกข์มากก็ให้พิจารณาชอบอนิจจังมากก็ให้พิจารณาชอบอนัตตามากก็ให้พิจารณาส่วนที่จิตฤทธิ์ชอบนั้นให้มากๆอย่างไรก็จะต้องซึมซาบถึงกันหมดในไตรลักษณ์ทั้ง 3 นี้จะแยกจากกันไม่ได้นี่พูดตามหลักธรรมชาติเท่าที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นที่ลงใจไม่ต้องสงสัยในหลักธรรม มาตรัยรักทั้ง 3 นี้จะแยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันกําหนดอันหนึ่งก็เสริมภาพถึงอันหนึ่งให้รู้ได้ชัดๆอย่างนี้ด้วยปัญญาของเราจะรู้ในไตรลักษณ์ใดก็ตามเป็นความรู้ที่จะคลอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสําคัญว่าเป็นเราเป็นเผ่าออกนอกจากใจโดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับเราพิจารณาทั้ง 3 ไฉนล่ะเรื่องของปัญญาจะวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติอันเดียวแต่มีลักษณะถึง 3 ประการในวัตถุหรือในอาการอันเดียวนี้ไม่ใช่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีอยู่ในวัตถุอันเดียวในขิ้นเดียวนั้นเต็มไปด้วยไตรลักษณ์เมื่อปัญญาได้สอดส่องเข้าไปเห็นเรื่องของทุกข์ก็แสดงว่าเห็นไตรอยู่แล้ว เย็นๆอันนี้ตังก็เห็นแสดงว่าให้เป็นเรื่องที่เห็นภัยอยู่แล้วเห็นเรื่องอนัตตาก็เป็นอันบอกอย่างชัดเจนว่าคือตัวภัยไม่ควรจะยึดถือได้ว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นสุขเป็นของเที่ยงแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออย่างเดียวนี่ให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องของสติแล้วพวกท่านทั้งหลายอย่าให้ถือว่าเป็นภาระของใคร เรื่องของปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดอยู่กับใครสุดอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ชอบตั้งสติชอบค้นคว้าด้วยปัญญาวันหนึ่งวันหนึ่งจะเกิดขึ้นมากี่ครั้งกี่หนไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเราโง่เราไม่ได้โง่ถ้าเราได้หยั่งความรู้สึกของเราลงในอบายวะ คือต้นแห่งตายนี่แหละเรื่องความรู้สึกที่แปลกประหลาดจะปรากฏขึ้นมาในสถานที่นี้โดยไม่ต้องสงสัยความชเฉี่ยวฉลาดไม่ได้มีอยู่ในที่ใดไหนสติก็ไม่มีอยู่ในที่ใดไหนท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน 4 กาย 1 เวทนา 1 จิต 1 ธรรม 1 นี่เป็นที่ตั้งของสติหรือเรียกว่าเป็นที่บำรุงสติ เป็นที่บำรุงปัญญาเป็นที่เพาะปลูกสติเพาะปลูกปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวเมื่อเรายังมีความโง่อาการทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นฆ่าศัตรูต่อเรากายก็ก็กลายเป็นฆ่าศัตรูเวทนาก็กลายเป็นฆ่าศัตรูจิตก็กลายเป็นฆ่าศัตรูธรรมก็กลายเป็นฆ่าศัตรูเมื่อเราได้ยังสติลงที่จุดนี้ ยั่งปัญญาลงที่จุดนี้กายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเวทนาก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาจิตก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาธรรมก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาในหลักธรรมชาตินี่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือหินรับของสติของปัญญานั่นเองแต่ผู้ไม่ฉลาดเอามีดไปฟันหินมีดก็ต้องเสียนี่ถ้าผู้ไม่ฉลาดถือหินรับที่ว่าเป็นต้น กายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นภาระสุดแกร่งคนโง่ผู้นั้นตอนนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสติปัฏฐานทั้ง 4 นี้ไม่ได้สอนว่าให้เอาเมตตาฟันหินไม่ได้สอนว่าให้ถือกายเวทนาจิตธรรมนี้ว่าเป็นตนแต่ตรงกันข้ามสอนว่าให้พิจารณาถึงเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้ต่างหากตอนนั้นสติ ตั้งตั้งได้ที่กายเวทนาจิตธรรมปัญญาจึงมีความเฉลียวฉลาดรู้รอบคอบตนเองขึ้นได้ด้วยหลักแห่งธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี่บ่อแห่งความเฉลียวฉลาดบ่อแห่งความรู้รอบอยู่ที่นี่จงตั้งลงสู่ที่นี่การเรียนมากเรียนน้อย เราไม่มีโอกาสที่จะไปล้ำไปเรียนศึกษาให้ได้มากๆเหมือนอย่างบรรดาท่านที่มีโอกาสทั้งหลายก็ตามเราไม่ต้องเสียใจให้เรียนในหลักธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านสอนในหลักธรรมชาติเรื่องของกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งใครๆไม่เคยมีป้ายมีกระดานดำเรียนวิชากิเลสแม้แต่สัตววิทยาฌานทําไมจึงมีกิเลสล่ะนะ เด็กๆเด็กน้อยเขาเคยรู้กิเลสเมื่อไหร่ทําไมธรรมชาติอันนี้จึงมีสังหัวใจของเขาและเราผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่เคยมีโรงรําโรงเรียนที่ไหนท่านมาเรียนตั้งแต่ธรรมทั้งนั้นไม่ได้เรียนวิชากิเลสเหตุใดกิเลสจึงมีเต็มหัวใจของเราทุกๆท่านเพราะเหตุใดเพราะกิเลสเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นกับใครและไม่เข้ากับใครไม่ออกใครทั้งนั้นเป็นผู้มีความเที่ยงธรรม คือตั้งอยู่ในหลักเหตุผลเช่นเดียวกันถ้าคิดผิดก็เป็นกิเลสขึ้นมาถ้าคิดถูกก็เป็นธรรมะขึ้นมาเมื่อสรุปความลงแล้วกิเลสกับธรรมไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะก่อล้างสร้างขึ้นให้เป็นค่าสุดและเป็นคุณต่อตนเองนอกจากหัวใจของเราผู้โง่และผู้ฉลาดนี้เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขกิเลสออกได้ด้วยความฉลาดของตนและที่จะทํากิเลสให้ผูกมัดตนเองขึ้นเบื้องความโง่ของตนเท่านั้น แล้วกิเลสจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่ไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากความโง่โง่อะไรเล่าเมื่อจะแยกออกตามประเภทแห่งความโง่แล้วเห็นก็โง่ได้ยินก็โง่สิ่งใดที่มาสัมผัสก็หลงตามไปหมดนี่ท่านเรียกว่าโง่เพราะเหตุนี้เพราะรากฐานของจิตมันโง่เพราะเหตุนั้นจึงต้องพยายามมันโง่อยู่ที่จุดไหนให้กําหนดพิจารณาลงที่จุดนั้น มันผูกพันทั้งตนอยู่ที่จุดไหนให้พิจารณาต้นทั้งปลแก้ไขลงที่จุดนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ไม่มีอันใดที่เป็นค่าสุดต่อเราซึ่งเป็นของยอดเยี่ยมที่สุดนอกไปจากกายเวทนาจิตธรรมนี้นี่ความหลงก็หลงกายนี้ว่าเป็นเราและก็ละกายนี้ชังก็ชังกายนี้ทุกข์ก็เกิดขึ้นในกายนี้จิตได้รับความเดือดร้อนก็เพราะเรื่องแห่งกายนี้อือกรรมธรรมจะหมายเอาอะไร ก็กายเวทนาจิตที่เองรวมลงแล้วเรียกว่าธรรมเองเราพยายามที่จะพิจารณาใจของเราในสติปัฏฐาน 4 ด้วยสติด้วยปัญญาไกลกรองอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีการงานคือสติปัฏฐาน 4 เท่านั้นเป็นงานเป็นทางเดินเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัย เป็นที่ทํางานของเราไม่มีที่ไหนให้พิจารณาลงทิ่มเมื่ออะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยอํานาจของปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าดังที่เคยอธิบายให้ฟังเหมือนอย่างเขาขุดดินลึกข삽นาไถนาไถแล้วไถนาขุดแล้วขุดเล่าไถดะไถแต่อะไรก็แล้วแต่แล้วคราบจนแหลกละเอียดความเร็วความช้า ไม่สักไม่เป็นของสําคัญสําคัญที่หมุนคราบหมุนไถละเอียดแล้วเป็นพอนี่การพิจารณาจะเร็วหรือช้าก็ตามไม่เป็นของสําคัญสําคัญที่สุดก็คือว่าพิจารณาจนเข้าใจเมื่อเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นผลสะท้อนย้อนมาให้เราได้รับความสุขให้เราได้รับความเฉลียวฉลาดให้เราได้เห็นโทษเห็นไป <ม. S 2> ให้เราได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้ได้กล่าวคือจากความถือว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอกาเสียได้ด้วยอํานาจของปัญญานี่ให้พิจารณาเข้ามาที่นี่ที่หลักแห่งการพิจารณาเราจะเห็นว่าพิจารณามากไปหรือน้อยไปงานของเราที่ทําในวัน 1 วันหนึ่งเราไม่ต้องว่าเราทํางานน้อยไปหรือมากไปให้สําเร็จให การเลี้ยงชีพหน้าอย่างน้อยต้องให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นให้มีการได้ซื้อได้ขายได้ร่ําได้รวยเงินมาไว้สําหรับเป็นความประดวกแก้ขัดแก้จนของเราในคราวจําเป็นนี่ไม่ต้องถือว่างานน้อยหรืองานมากไม่ต้องถือว่าหนักมาเบาเมื่อเหนื่อยหรือหิวแล้วก็มาพักผ่อนร่างกายได้รับพานอาหารพักให้สบาย จากนั้นก็เริ่มงานอีกเป็นลำดับอย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่ได้ถือว่าเราทํางานมากหรือทํางานน้อยเรื่องของการครองชีพเป็นความจําเป็นบังคับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ทําไม่ได้เป็นเรื่องจําเป็นอย่างนี้ข้อนี้ก็มีในฉันนั่นเหมือนกันการทุจแทนมาด้วยปัญญาในสติปัฏฐาน <c oughs> 4 คือการเมตตาจิตธรรม เราไม่ต้องว่าเราพิจารณามากหรือพิจารณาน้อยพิจารณาจนมีความเข้าใจเป็นลําดับลําดับเมื่อมีการเหนื่อยจิตอยากจะพักก็ให้เข้าพักในเรือนคือสมาธิการพักของจิตจะพักนานหรือไม่นานก็ตามขึ้นอยู่กับความเพียงพอของไตเช่นเดียวกับเรานอนหลับจะนอนหลับมากหรือน้อยก็ตามขึ้นอยู่กับ ความเพียงพอของธาตุขันธ์แล้วตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ประกอบการนั้นได้มีลักษณะของการพักสมาธิก็เช่นเดียวกันจะพักอยู่สักกี่ชั่วโมงก็ตามไม่เป็นของจําเป็นที่เราจะต้องขอนขึ้นมาเอาเฉยๆรอให้พักตัวนั้นจนเพียงพอแก่ความต้องการของจิตแล้วถอนขึ้นมาเองเมื่อจิตได้ถอนขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ที่เราจะต้องพินิจพิจารณา ในสติปัฏฐานะจิตตปัฏฐาน <c oughs> 4 คือกายเวทนาจิตธรรมด้วยสัญญาของเราเป็นลําดับลําดับไปการพิจารณาเรื่องของกายแยกส่วนแบ่งส่วนขยายให้โตบ้างทําให้เล็กบ้างแล้วแยกออกจะเป็นกองเนื้อกองหนังในส่วนใดๆก็ตาม แล้วกําหนดให้รายหายศูนย์ไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลจากความเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นต้นจนกลายลงเป็นธาตุเดิมคือดินน้ําลมไฟแล้วปรุงขึ้นมาใหม่พิจารณาอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจะได้สักกี่เที่ยวหรือกี่รอบไม่เป็นสิ่งที่เราจะไปคึงคํานวณผลลัพธ์ได้ที่ปรากฏขึ้นจากใจของเราคือความฉลาด ความหายสงสัยในส่วนแห่งกายไปทุกวันทุกวันเป็นลําดับอย่างนี้เป็นความต้องการของเราจนกระทั่งถึงว่าใจของเรามีความเพียงพอต่อส่วนแห่งกายนี่แล้วจะรู้เท่าทันในส่วนแห่งกายนี้โดยทางปัญญาแล้วปล่อยวางหน้าอย่างสนิทไม่มีอันใดที่จะมาเป็นเครื่องติดติดติดใจหรือทึมทรามมากายนี้เป็นเน่าเป็นของเน่าได้อีกแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นความเพียงพอของ การพิจารณาร่างกายมีเรื่องเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากกายและเกิดขึ้นจากใจข้อเวทนามี 2 ประเภทเวทนาในส่วนแห่งกายอย่างหนึ่งเวทนาในส่วนแห่งใจอย่างหนึ่งใจจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามที่สืบเนื่องมาจากการได้รับอารมณ์จะเป็นอารมณ์ในทางมรรคหรือในทางสมุฏฐายก็ตาม อาจารย์ของเรามีความสุขเพราะการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมานี่เรียกว่าสุขเกิดขึ้นจากนักคือเกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาถ้าสุขมีความลื่นเดิงบรรเทิงไปในทางโลกทางสงสารแสดงว่าสุขนี้เกิดขึ้นทางด้านสมุทัยให้เรารู้ชัดอย่างเรื่องของทุกข์ก็พึงเทียบเคียงกับเช่นนี้ การการปล่อยวางกายนี้นั้นปล่อยวางในขั้นต้นเมื่อจิตได้พิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนแจ่มแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงทุกข์ทิ้นไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งถึงกระแสของจิตได้วิ่งไปถึงจุดหมายปราทางแล้ว เรื่องกายก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเป็นสภาวะธรรมมีสภาพเช่นเดียวกันพิจารณาผสมผสานกันได้หมดมีแต่ว่าเจตนาผิดกันเท่านั้นเจตนาในเบื้องต้นในการพิจารณากายก็ดีพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีพิจารณาเพื่อรู้แจ้งเห็นทัศน์พิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อเครื่องตนทั้งปนออกจากสภาวะเหล่านี้โดยทางปัญญา แต่เมื่อเราย้อนกลับมาพิจารณาครั้งหลังนี้เป็นแต่เพียงว่าพิจารณาโดยวิหารธรรมให้เป็นความสะดวกกายสบายใจซึ่งระหว่างขันธ์กับจิตได้อาศัยกันอยู่เป็นความสุขความสบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่มีความมุ่งมาดปรารถนาส่วนใดอื่นซึ่งนอกไปจากให้เป็นความสะดวกกายสบายใจในระหว่างภิฏฐธรรมที่มีชีวิตอยู่เพียงเท่านั้น การพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะ 2 ประเภทลักษณะ 2 ประเภทนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสภายนอกหรือมีสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสปรากฏเป็นความปรุงหรือความจําหมายขึ้นมาความรับรู้ขึ้นมา อย่างหนึ่งญาณ 1 อยอยแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาก็ตามสัญญาจะไม่ปรากฏก็ตามวิญญาณจะไม่ปรากฏก็ตามเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆจะต้องพิจารณาได้โดยไม่ต้องมีสิ่งอันใดมาทําให้กระเปื้อนแต่พึงทราบก่อนว่าเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก่อสังขารนั่นเอง เมื่อไปทางสมุทัยท่านเค้าเรียกว่าสมุทัยไปเสียคือเราปรุงประทางให้เกิดทุกข์เกิดเป็นเรื่องกิเลสตัณหาครอบพันในจิตใจของเราท่านเรียกว่าสังขารประเภทนั้นเป็นสมุทัยแต่ถ้าคิดปรุงไปในทางจะเครื่องตนของตนให้พ้นจากสิ่งผูกมัดทั้งหลายท่านให้ชื่อว่ามรรค ก็คือสังขารนั่นเองเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยอย่างหนึ่งสังขารฝ่ายมรรคอย่างหนึ่งคือสังขารฝ่ายผูกมัดตนเองนั้นเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยสังขารฝ่ายเรื่องซื้อไปแก้ไขตนเองท่านเรียกว่ามรรคคือปัญญานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้สังขารจะไม่ตุงในส่วนสมุทัยก็ตามสังขารที่เป็นตัวปัญญาสามารถที่จะตุงพิชแรงในเรื่องอันใดให้เกิด ความสนัดแก่ตนเองได้ตนกระทั่งถึงมีความเพียงพอในเรื่องเวทนาก็ดีในสัญญาก็ดีในสังขารก็ดีจะวิ่งเข้าไปสู่จุดเดียวเท่านั้นเพราะรูปเพราะมาจากใจเป็นนาคฐานหรือเป็นแดนเกิดเวทนาก็ต้องมาจากใจแม้จะไม่ใช่ไม่ใช่ใจก็ต้องมาจากใจเช่นเดียวกับกายถึงจะเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ใจก็ตามแต่ก็อาศัยใจ ปรากฏเป็นขึ้นมาประชุมกันเป็นรูปเป็นตาเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี่เรื่องของเมตตาก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่เป็นเรื่องของใจก็ตามแต่ก็ออกมาจากใจสัญญาทั้งฐานอย่างใดที่เรียกว่าขันธ์ 5 นี้แต่ละอย่างละอย่างก็ต้องออกมาจากใจเมื่อปัญญาเราได้พินิจพิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาในเรื่องร่างกายจนเกิดความชํานิชํานาญ แม้ที่สุดจะกระเพื่อมขึ้นเมื่อไหร่ก็ทราบถึงจะดับไปแล้วก็ตามก็ทราบทั้งเรื่องความเกิดขึ้นดับไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารอย่างใดแต่ละอย่างอย่างทราบทั้งความที่ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นจากอะไรแล้วดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจะตั้งขึ้นก็ตามไม่ตั้งขึ้นก็ตามจะตั้งอยู่ก็ตามไม่ตั้งอยู่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะให้ทราบชัดถึงเรื่องสมุฏฐานที่เกิดของอาการทั้ง 4 ทั้ง 5 นี้ ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนที่เรื่องปัญญาเมื่อได้ทราบชัดเป็นลําดับลําดับลงไปเรื่องการที่เราจะไปตําหนิติโทษในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็หมดปัญหาไปแล้วนอกจากเจ้าเราจะตําหนิติโทษของเวทนาสัญญาสังขารหิรญาณหรือของรูปกายของเราเท่านั้นเมื่อพิจารณาในส่วนนี้เห็นชัดอีกแล้ว ก็มีการตําหนิติดโทษในรูปของตนเวทนาของตนปัญญาของตนสังขารของตนวิญญาณของตนเหตุที่จะหมดโทษหรือเหตุที่จะหมดการตําหนิติดโทษก็เพราะอํานาจของปัญญาได้ลื้อฟื้นดูทุกสิ่งทุกประการลื้อฟื้นดูทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วย้อนเข้ามาดูสัญญาสังขารวิญญาณผู้รับสัมผัสในสิ่งเหล่านั้นจนเห็นชัดทั้งด้านนอกเห็นชัดทั้งด้านใน เห็นชัดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เกิดแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งนิมิตแห่งเวทนาว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่ความตำหนิติดชมในรูปก็ดีในเวทนาของตนก็ดีในสัญญาสังขารอีกอย่างของตนก็ดีก็หมดเข้าไปเป็นลำดับดับนี่แล้วสิ่งที่เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสทีนี้เมื่อรูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาในส่วนแห่งกาย สัญญาก็เป็นสัญญากทั้งขันธ์ก็เป็นทั้งขันธ์ไม่เป็นกิเลสแล้วอะไรเป็นกิเลสรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กิเลสมันก็รู้ชัดผู้ใดเป็นผู้หลงน่ะมันจะย้อนเข้าไปธรรมชาติที่ไม่รู้ไม่มีอันใดหลงความที่รู้นั่นเองเป็นเหตุที่ให้เกิดความหลงขึ้นมาได้นี่เมื่อเป็นเช่นนี้ความรู้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่ง จะกลับเข้าไปเห็นภายในความรู้ประเภทนั้นนี่ท่านเรียกว่าความรู้ที่เป็นรากเหง้าแห่งเรื่องทั้งหลายจะติดต่อก่อแขนงขึ้นมาจากธรรมชาติที่รู้อันนี้เท่านั้นหมดการตนบิชมภายนอกนอกจากจะเห็นเรื่องเห็นรากเส้นเหตุเห็นผลจากธรรมชาติที่รู้นี้เท่านั้นว่าจะเป็นไปอย่างไรอีกหรือจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีความแปลกประหลาดอย่างไรจากธรรมชาติที่รู้นี้ ปัญญาก็จดต่อวินิจฉัยในสภาพที่รู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความรู้คืออาการของจิตที่เคลื่อนไหวแผบก็เกี่ยวถึงความรู้อันนั้นทันทีหึก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงผู้รู้นั้นเราได้เห็นว่าเป็นตัวโทษเห็นว่าเป็นตัวพิษอย่างชัดแจ้งด้วยปัญญาแล เราจะทนถือผรูนี่ว่าเป็นเราได้อย่างไรเราจะทนถือผรูนี่ว่าเป็นความฉลาดได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของกิเลสดีๆพอได้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วนี่ตอนนี้ธรรมชาตินี้จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้ทันท่วงทีหรือพอแก่กําลังของตนแล้วธรรมชาติอันนี้ก็จะต้องขาดกระเด็นลงไปทันทีไม่มีอันใดเหลือ เมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดกระเด็นลงไปแล้วนั่นแหละสิ่งทั้งหลายจะปรากฏเปิดเผยไปทั่วทั้งโลกกระทั่งแล้วจะประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่าสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปกติอยู่ตามธรรมชาติของเค้าไม่เคยเป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดนอกจากธรรมชาติที่รู้ๆอันเต็มเปี่ยมด้วยความหลงอันเดียวเท่านี้ ไปเที่ยวหาเรื่องหาราวเกิดคดีป้องร้องในตัวเองแล้วก็ลุกลามไปหาสิ่งภายนอกให้กลายเป็นคู่ความกันตามกันไปเท่านั้นนี่สภาวะธรรมทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ในขณะที่ธรรมชาติที่ลี้รับได้ตกสูญหายไปและในขณะเดียวกันธรรมชาติที่แท้จริงเป็นธรรมก็ได้ปรากฏ เกิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันกับธรรมชาติที่ลี้นักคือความรู้ที่เกี่ยวไปด้วยความหลงนั้นได้สลายตัวลงไปเท่านั้นครับคําธรรมชาติที่ว่ารู้อันนี้ที่เป็นรู้ในหลักธรรมชาตินี้กับสภาวะธรรมทั้งหลายก็กลายเป็นจะเรียกว่ากลายเป็นสหายกันก็ได้<ใช> หรือว่าจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสมอภาคด้วยกันก็ได้ต่างก็มีอันใดที่จะตําหนิติดชมต่ออันใดรูปทั่วทั้งโลกธาตุก็เห็นเป็นไปตามความจริงของรูปในความตั้งขึ้นในความตั้งอยู่ในความดับไปของรูปแม้ธรรมาแม้จะมีอยู่ในส่วนแห่งกายก็ทราบทัศน์ว่าเป็นสภาพความจริงอันหนึ่งหรือเสียงก็ดีทิ่นก็ดีรถก็ดีเครื่องสัมปัดทั่วๆไป ในขอบเขตจักรวาลนี้ก็ดีปรากฏว่าเป็นหนักความจริงเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดเนื่องจากความรู้ที่เป็นความรู้ในหลักธรรมชาตินี้ได้กลายเป็นความรู้ที่ยุติธรรมต่อตนเองเท่านั้นสภาวะทั้งหลายจึงกลายเป็นสภาวะที่เป็นยุติธรรมไปตามกันหมดนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาพูดให้เห็นชัดๆก็คือว่า เราเป็นผู้โกหกพูดเดียวเท่านั้นนี้เราเป็นผู้หลงเราเพียงอันเดียวหรือเพียงคนเดียวเท่านั้นเลยกลายไปทําโลกกถาภคอบเขตจักรวาลให้เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเราไปหมดสิ่งทั้งหลายนั้นเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีคดีคู่คามกันกับเราทั่วทั้งดินแดน อาการได้ปรากฏเป็นความรู้ที่ยุติธรรมขึ้นมาเท่านั้นสภาวะทั้งหลายก็กลายเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดนี่แหละเรียกว่าสัทธาภูตังญาณทัศนะความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาพแห่งหลักธรรมชาติของตนด้วยสัญญา อย่างแจ้งชัดแล้วสภาวะทั่วๆไปจึงกลายเป็นความจริงเสมอหน้ากันไปหมดนี่เรียกว่ายถาภูตังอนัตตลักษณะทั้งรู้ทั้งเห็นในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงทั้งข้างนอกทั้งข้างในไม่มีอันใดลี้รับกลายเป็นสภาวะเปิดเผยไปเสียทิ้งเพราะธรรมชาติที่ลี้รับคือตัวอวิชชานั้นได้ดับไปเพียงดวงเดียวเท่านั้น ธรรมชาติที่แท้จริงหรือธรรมชาติที่เป็นยุติธรรมจึงได้โผล่ขึ้นมาเต็มที่ให้ปรากฏชัดในปีกไก่พร้อมทั้งความตัดสินในหลักธรรมชาติได้ปรากฏขึ้นว่าสิ้นเรื่องเพียงเท่านี้เรื่องกิเลสเรื่องกังหาเรื่องรักรักเรื่องชังชังเรื่องหลงเรื่องรู้อะไรต่อไปอีกนั้นหรือรู้เพื่ออะไรต่อไปอีกนั้นเป็นอันว่ายุติกันลงในที่นี้ หน้าออกไปก็คือว่าเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาเกี่ยวโยงกันเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่ายุติลงได้ในขณะนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดที่จะสืบต่อธรรมชาตินี้ไปได้อีกแล้วเพราะอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดปรากฏเป็นความบริสุทธิ์อย่างล้วนล้วนอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแล <c oughs> นั่นแหละที่นี่ตาก็ไม่เป็นภัยหูก็ไม่เป็นภัยจมูกลิ้นกายไม่เป็นภัยเทาะไกรไม่เป็นภัยผู้เสียงสิ่งรถเครื่องสัมผัสก็ไม่เป็นคู่เวรไม่เป็นศัตรูต่อใครสิ่งรถเครื่องสัมผัสทั่วทั้งขอบเขตจักรวาลหรือไตรโลกธาตุก็อาการเป็นคู่มิตรในเสียงเดียวกันหมดนี่เรียกว่าสุขะโตข้างนอกก็เป็นสุขะโตเพราะข้างในไม่มีภัย ไม่ไปเที่ยวก่อกรรมก่อเวรก่อเห็นตำหนิติโทษในสิ่งอันใดทั้งนั้นทั้งภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งสูงทั้งต่ําทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งภายในของตนเองจึงกลายเป็นธรรมชาติที่เปิดเผยไปทั่วทั้งหมดนี่ผลแห่งการปฏิบัติในความครบคล้วนสอบสวนดูความคลื่นไหว ในการดําเนินของตนเองตั้งแต่ส่วนหยาดตามที่อธิบายแล้วเบื้องต้นจนกระทั่งมาถึงส่วนกลางเครื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจนมาทั้งกระทั่งถึงส่วนปลายได้จักผลซึ่งเกิดขึ้นจากอํานาจของศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติของเราทุกๆท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดไว้สําหรับพระองค์เดียวเป็นสาธารณะสมบัติ สำหรับท่านผู้มีความสามารถท่านผู้มีความแกล้วกล้าด้วยความภาคความเพียรไม่เห็นแต่ความท้อแท้อ่อนแอคุณธรรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้ตั้งแต่ต้นจนสุดฉีดความสามารถที่แสดงในวันนี้ขอย้อนย้ำอีกว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาให้ผิดจากหลักแห่งสวัคคตธรรมการดําเนินก็ดําเนินให้ถูกหลักแห่งสวัคคตธรรม ผลที่จะพึงได้รับก็เป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติแล้วอกาลิโกเมื่อได้ปรากฏเต็มที่แล้วบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีกลางมันกลางคืนไม่มีไม่ได้มีหลับมีตื่นเป็นของบริสุทธิ์นั้นเรียกว่าอกาลิโกบริสุทธิ์ตลอดเวลาเอหิปัสสิโก เป็นของรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนสามารถที่จะแสดงหลักความจริงที่ตนได้รู้ได้เห็นทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งความบริสุทธิ์ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งกับภาวะธรรมที่เกิดเกิดดับดับให้แก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นชัดตามเป็นจริงและเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วยฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้มีความอาถรรพ์น่าเรืองต่อความเป็นอยู่ความทำอยู่ความประพฤติอยู่ของตนความหิวความกระหายความลำบากรำคาญเป็นเรื่องของขันธ์จะต้องมีด้วยกันทุกคนความทุกข์ในทางใจที่ว่ามีกิเลสติดแล้วจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดต้องรังควานเราให้ปรากฏอยู่เสมอให้พึงทราบว่านั้นคือหนามยอกหัวใจ พยายามถอดถอนออกให้จนได้การตะเกียกตะกายเพื่อการถอดหนามการตะเกียกตะกายเพื่อขึ้นจากหลุมมืดหลุมขุดยากถือเป็นความลำบากกว่าที่เราจะนอนอยู่ในหลุมมืดหลุมขุดหรือกว่าที่จะยอมให้หนามจมอยู่ในหัวใจของเรานี่คุกเพื่อเค้าวคุกเพื่อออกจากทุกข์ทุกข์เมื่อข้อปฏิบัติ เป็นทุกข์ที่พระองค์เจ้าทรงสนับสนุนไม่ใช่ทุกข์เพื่อจะเข้าเป็นเรื่องทุกข์เพื่อจะออกเป็นทางที่ถูกตามที่พระองค์เจ้าทรงดําเนินมาแล้วย่อมได้รับทุกข์เช่นเดียวกับมรรคาเราทั้งหลายอย่าตื่นทราบมาทุกข์จะเกิดขึ้นมาล้วนๆโดยปรากฏจากเหตุผลคือการดําเนินนี่ มันนี้ได้แสดงธรรมะตั้งแต่ขั้นความสะดวกความสงบเบื้องต้นสงบระหว่างหมู่เพื่อนเดินเข้าไปถึงความสงบสบายในระหว่างจิตใจกับอารมณ์เป็นความสงบเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึง เตสังูปะสมุโตโขความสงบอันยิ่งยวดนั้นได้แก่การระงับดับเสียซึ่งสังขารอันก่อกวนให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดความทุกข์ทรมานต่อไปสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยได้ดับสิ้นเสร็จหมดแล้วยังเหลือตั้งแต่สังขารประจำกัน 5 นี่ท่านเรียกว่าเตสังูปะสมุโตโขไม่เป็นปัญหาอะไรกับสังขารประจำกัน 5 พระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีจนกว่าว่าท่านจะนิพพานเสียเมื่อใดขันธ์ทั้ง 5 นี้จึงจะกลับสลายลงไปสู่สภาพเดิมของเค้านี่ก็ให้นั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไม่มีจิตแตกไกลสละมาจากบ้านจากเรือนทั้งใกล้ทั้งไกลมาด้วยความเต็มอกเต็มใจจงฟังให้ถึงจิตถึงใจปฏิบัติให้ถึงขีดถึงแดนตายที่ไหนแล้วเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับกร่างอันนี้ ป่าท่าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนต้นไม้ภูเขาที่ไหนก็ตามล่มลงแล้วใครจะเอาไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ยอมแพ้คือเรื่องความเพียรเพียงขอให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นหลักหัวใจจะเป็นผู้ถึงสู่แดนแห่งความบริสุทธิ์ได้เพราะหลักความเพียรหรือหลักแห่งความเพราชันอันนี้และขอความสุขภาพดีจงมีแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย Huk跟我 nachap experiences